าฐานห้าคนเพราะกรรมฐานห้าเนี่เพือผมขนเล็บฟันหลังเป็นเครื่องหมายของความสวยความงามเลยไม่สวยไม่งามคนที่มีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีขนงามเขาเรียกคนงามคนที่มีเล็บงามมีปั่นงามมีหลังงามเขาเรียกว่าคนงามและความงามห้าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ปิดหูบังตา ไม่ให้เรามองเห็นสภาพความเป็นจริงอันซ่อนเล่นอยู่ภายในเพื่อความปฏิกูลหน้าเกลียดสโสกเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เพิกสิ่งงามทั้งห้านี้ออกเพิกออกให้มองเห็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดให้เห็นเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดจริงๆทีนี้เราอาจจะมีคนอบายพิจารณาไปหลายๆอย่างจะพิจาจรณาในแง่ว่า ผมขนแล็บพันหนังเป็นของปฏิกูลน่าเเศษโศกกระดัจะพิจารณาในแง่ว่าผมขนเล็บพันหนังเป็นแต่เพียงธาตุสี่ที่น้ำลมไฟไม่ใช่สัตวุคคลตัวตนเราเขาเลยจะพิจารณาไปในแง่อันนี้ทางทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตก็ได้แล้วแต่ใครจะถนัดอันนี้เป็นอุบายที่ฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดสติปัญญา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 ในเมื่อมีความสงบเกิดขึ้นปีติแล้วความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาอย่างอื่น <c oughs> ทีนี้พอพูดมาถึงขั้นตอนแห่งการพิจรารณาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายท่านสอนกรรมฐานท่านก็สอนให้พิจรารณากายเวทนาจิต ธ, ธรรมเป็นหลักใจถา้าบางท่านอาจจะคิดว่าเราเอาสิ่งอื่นนอกจากหลักการที่ท่าน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 ในเมื่อมีประตูถาวรย่อมมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้าเมื่อมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้าสิ่งนั้นที่ผ่านออผ่านเข้าคืออะไรโรคผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้ามาทางหูกลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นสัมผัสผ่านเข้ามาทางกาย อารมณ์ทำอารมณ์ผ่านเข้ามาทางใจท่านเคยได้ยินปัญหาที่พระอาทิตย์พระพุทธเจ้าตรามพระอานุนไหม้พระพุทธเจ้าตรามพระอานุ์ว่าตูก่อนอานนุ์กัญหามันจะมันเกิดที่ไหนและมันจะดับลงที่ไหนพระอานุนก็ชวนให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบเองพระพุทธเจ้ามาตอบว่าดูก่อนอานนุ์ ตัณหามันเกิดที่ทวารหกเครื่อตาหูจมูกเล่นกายไหลใจเมื่อมันดับมันก็ดับที่ทวารหกเหมือนกันเคื่อดับที่ตาหูจมูกเล่นกายไหลใจอะไรที่มายุ่ยุให้เราเกิดตัณหาโรคผ่านเข้ามาทางตาเกิดความยินดีเสียงผ่านเข้ามาทางหูเกิดความยินดีกลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูกเกิดความยินดี รสผ่านเข้ามาทางเล่นเกิดความยินดีสัมผัสข้ามากผ่านมาทางกายเกิดความยินดีทมอารมณ์ผ่านเข้ามาทางจิตเกิดความยินดีในเมื่อเกิดความยินดีแล้วก็ทะเยอทยานจากได้สิ่งนั้นในเมื่อมีการทะเยอทยานนั่นแหละคืออาการแห่งปัญหามันเกิดขึ้นแล้วทีนี้พวกมาปฏิบัติธรรมมาทาสติโลดอย่ทศวานหกคือตาหูจมูกเล็บกายใจ อะไรผ่านเข้ามาทำสติรู้อะไรผ่านเข้ามาทำสติรู้โดยการทำสติรู้อย่างเดียวเพราะเสียงที่ผ่านเข้ามานั้นคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมย่อมแสดงปรากฏการณ์ให้เห็นจริงอยู่ตลอดเวลาเพื่อมีความเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปซึ่งธรรมชาติของมันจะเป็นอย่างนั้นที่นี่นอกจากพวกเสียงเป็นรสสัมผัสที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเล้นกายแตใจแล้ว ซิ่งอื่นนอกจากนั้นเราจะมาเอามาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้หรือเอ้ายกตัวอย่างเช่นผู้ ท, ที่เรียนจบมาในทางแพทย์เรียนจบมาทางวิชาอื่นๆซึ่งเป็นศาสตร์ต่างๆ ท, ที่เรียนมาในสายโลกเช่นธรรมศาสตร์นิติศาสตร์มิจรภธรรมศาสตร์พิทยาศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียนเป็นความรู้มาเราจะเอามาเป็นอารมณ์พิจารณากรรมฐานบ้าง จะได้หรือไม่ขอตอบว่าได้ดีเสียอีกเพราะมันเป็นความรู้ที่ท่านรู้มาแล้วเอามาเป็นหัวข้อแห่งการพิจารณาจะเกิดความคล่องตัวเร็วขึ้นในสิ่งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะนี่จะเอามาเป็นอารมณ์กรรมาฐานได้อย่างไรสิ่งนั้นแหละคือดธรรมะฝ่ายสภาวะธรรมเราเรียนหนังสือมาแต่เบื้องต้น พอ เ, เราเปิดตำลากลางตำลาออกมาเรามองเห็นด้วยตาตัวหนังสือที่มองเห็นนั่นคือรูปทีนี้ครูอาจารย์สอนบอกให้อ่านเราได้ยินด้วยหูนั่นคือเสียงที่นี้ท่านหัดให้เราไปทีทีเขียนจนเป็นตัวอักษรนั่นคือการสัมผัสด้วยกายเมื่อเป็นเช่นนั้นใจก็เป็นผู้เก็บเอาเป็นความรู้ สิ่งใดที่เราสามารถกำหนดรู้ได้ด้วยใจ ส, สิ่งนั้นเป็นสภาวะธรรมในเมื่อสิ่งนั้นเป็นสภาวะธรรมสิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพราะเป็นสิ่งที่แสดงปรากฏการให้เรารู้จริงเห็นจริงว่าสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นดับไปสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นดับไปเป็นเรื่องของธรรมดาแล้วทาไมจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งนั้น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 ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจิตพิจารณาไปตามสติปัญญาที่เราสามารถจะพิจารณาได้เช่นอย่างชาวบ้านทั้งหลายที่ครองเรือนอาจจะทั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราครองเรือนเพื่ออะไรและเราจะอยู่เป็นกฤหัตเพื่ออะไรแล้กวก็าหาคำตอบให้กับตัวเองถามตอบถามตอบไปเรื่อย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 บางท่านก็บอกว่าได้สามสิบนาทียี่สิบนาทีลองผลทุดท้ายก็เลยเป็นการภาวนาเอาเวลานอกจากจะภาวนาเอาเวลาแล้วภาวนาเอาความเห็นในเมื่อนั่งหลับตาภาวนาเพลืมตาขึ้นมาครับอาจารย์ผู้สอนกรรมาฐานก็มักจะถามว่าเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมทีนี้ถ้าใครไม่รู้ไม่เห็นไม่มีคําตอบก็แสดงว่าภาวนาไม่ได้ผล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 ให้มีสิ่งรู้ทำตติให้มีสิ่งระลึกจนกระทั่งจิตของเราเกิดควดามสงบนิ่งลงเป็นสมาธิแล้วประกอบด้วยองค์มีปีติสุขเอกขัดตัมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมส่วนเวลำเวลาไม่สำคัญเราอาจจะทำสมาธิในท่าเดินท่ายืนท่านั่งท่านอน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 จนกลายเป็นสติพละในเมื่อเรามีสติเป็นสติพละตสติมีกำลังก็สามารถที่จะประครับประคองจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติเมื่อกระทบกับอารมณ์จะไม่มีความหวันไหวง่ายหรือไม่หวันไหวเลยแต่ถ้าสติพลัตนี้เพร่มพลังขึ้นไปอีกกลายเป็นสตินสีสติเป็นใหญ่ในธรรมในอารมณ์ทั้งปวง เมื่อจิตนึกถึงอารมณ์สิ่งใดถ้าจิตรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นจิตจะจดคิดแต่ถ้าจิตยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นจิตจะต้องพิจารณาในสิ่งนั้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรียกว่าสติเป็นใจในอารมณ์ทั้งกวัทีนี้เมื่อจิตมีการพิจรารณาจิตก็มีเครื่องรู้สติก็มีสิ่งละเล็กแล้วถ้าสติพิอมพลังเร้นยิ่งไปกว่านี้ สภาบาจิตมีการประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอาริยมรรคมาแป่ประชุมลงเป็นหนึ่งคือความเป็นหนึ่งของจิตโดยมีลักษณะจิตสงบนิ่งสว่างไม่ไหวติ่งแต่มีสิ่งที่ปรากฏการขึ้นภายในจิตให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลา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 เชื่อมต่างกับสมาธิในฌานสมาธิในฌานเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วไปรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่มีปรากฏการอันะไรที่จะให้รู้อันเป็นเครื่องสอนแสดงให้เห็นถ้าไตรลักษเพื่อสงบนิ่งอยู่ในจุดเดียวเฉยๆอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิในฌานเป็นสมาธิขั้นสมถะสมาธิขั้นสมถะถ้าจิตสงบนิ่งอยู่เฉย มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเซิงผิแต่เซิ้งแตกต่างกันกับสมาธิในอริยมรรคเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังผู้ปฏิบัติเพิ่งสังเกตความเป็นของจิตของตัวเองตามในดังที่กล่าวมาแล้ว <c oughs> อันนี้คือหลักการที่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีรได้แนะนำพร่ำสอนโลกติดลุกหามาที่นี้ ประการที่สามการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี่เป็นจิตเป็นจิตจำเป็นสำหรับนักปฏิบัติเพราะการเจริญเมตตานี่เป็นรประการประกาศความเป็นมิตรต่อสิ่งทั้งปวงท่านเจ้าพระคุณบาลีเวลาท่านเข้าไปทุดงในป่าท่านมักจะเจริญเมตตาแล้วประกาศออกมาว่าเราสมณะมาแสวงหาความสงบ มาสแสวงหาความเปี้เวลเราไม่ได้ตั้งใจจะมายึดเอาที่เอาทางของใครถ้าว่าท่านผู้ใดถือกรรมสิทธิ์ว่าตัวมีตัวเป็นเจ้าของอยู่ในสถานที่นี้เราขออาศัยท่านควาเพ็นสมรธรรมทั่วขนาหนึ่งแล้วก็จะหนีไปสู่ที่อื่นเรามาด้วยความไม่เบียดเบียนใครแล้วท่านก็แผ่เมตตา โดยนักว่าขาดทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงตนเป็นผู้มีสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเปียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยและจงมีสุขรักษาตนให้พ้นไัยและอย่าได้ปราศจากสมบัติที่ตนได้แล้วเถิดท่านจะทํำอย่างนี้เป็นจิติวัตรของท่านเป็นประจำแม้แต่ว่าจะไปคักใต้ร่มไม้ใหญ่ๆโบรานท่านถือว่า ต้นไม้ใหญ่ต้องมีผีผูตีต้องมีพระจุนี่ท่านเจ้าพระคุณบาลีท่านถืออย่างนี้เพราะฉะนั้นต้นไม้ใหญ่ต้องมีเจ้าของลกคติวดาอาศัยอยู่ก่อนที่ท่านจะเข้าไปอาศัยล่มเราท่านจึงขออนุญาตประกาศขออนุญาตเจ้ขออาของเข้าข่อเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเบียดเบียนเราและประกาศให้เขารู้ว่าเรามาดีไม่ได้มา้าย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 ตายจากคนแก่ไปเป็นคนตายจริงๆในเมื่อตายจริงๆแล้วเน่าเน่าแล้วร่างกายท้องพวงนี้ก็สลายสลายตัวไปเป็นดินน้ําลงไปนี่คือตายอันนี้เป็นอุบายอันหนึ่งที่เยอดพระคุณอุบาลีท่านสอนแต่อีกอยางหนึ่งการพิจรารณาความตายเนี่ยท่านถือว่าเป็นเทวะพูดคอยกระตุ้นเตือนจิตใจของตัวเองไม่ให้เกิดความประมาท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 ว่าก่อนที่เราจะตายนี่เราควรจะได้อะไรดีๆติดตัวไปก่อนถ้าหากไม่สําเร็จรับผลนิ่ผานอย่างน้อยก็มีบุญกุศลพอที่จะไปขึ้นสู่สวรรค์ก็เป็นที่พอใจแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ระลึกถึงความตาย <c oughs> เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติไม่เกิดความประมาทในการที่จะปะฏิบัติธรรมต่อไปนี่คือหลักการที่เจ้าพระคุณบาลี ได้นำมาสอนลูกศิษย์ลูกหาสืบมาแต่ส่วนข้อความพิสดาหรหและความละเอียดในเรื่องปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดค้นตำรับตำลาอ่านหนังสือรือศึกษาถามตามครูบาอาจารย์ต่างๆและขอให้คำแนะนำว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติกรรมฐานเราปฏิบัติเพื่อทาจิตของเราให้มีสมาธิ ให้มีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวัธรรมตามความเป็นจริงเพื่อให้จิตของเราเป็นอิตสลักมีอำนาจเหนืออารมณ์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ยจึงไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยพลังจิตของใครมาช่วยจิตของเรา และไม่จำเป็นจะต้องไปอันเชิญเอาอำนาจบนฟ้าบนสวรรค์มาช่วยให้เราได้ปฏิบัติเห็นผลง่ายง่ายบางท่านก็ถามว่าทำอย่างไรปฏิบัติทำจริงจะเห็นผลได้ผลเร็วท่านตอบก็คือว่าตั้งใจทำจริงๆถ้าว่าท่านจะเป็นนับภาวนาจริงๆวันหนึ่งๆให้ท่านตั้งใจไว้ว่าฉันจะนั่งสมาธิวันละสีครั้ง แต่ละครั้งจะนั่งให้ได้วันครั้งละหนึ่งชั่วโมงเอากันวันละสี่ชั่วโมงเท่านั้นวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงเราสลับเวลามานั่งภา ว, วนาทมสมาธิสักสี่ชั่วโมงต่อวันรับรองว่าจิตของท่านจะต้องสงบเป็นสมาธิและก็ได้รู้ธทมเห็นทมตามความสามารถได้กล่าวรรมากพอเป็นเครื่องเตือนใจของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย ก็เห็นว่าพอสมบวรแกกาละเวลาจึงขอยุติไว้ด้วยประการละชะนิาตอนที่จะขึ้นธรรมา ก, ก็มีผู้พ่อมาฝากปัญหามา <c oughs> ถามถามว่าขาธรรมสมาธิจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตโจนจะเข้าสู่พระวังแล้ว และจะรู้อย่างไรว่าจิตกำลังอยู่ในภาะวังอันนี้เราเพิ่งสังเกตว่าถ้าเราเกิดมีกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายคล่องจิตคล่องกายควรจิตควรเพิ่งเข้าใจเถิดว่าจิตของเรากำลังจะเข้าเข้าสู่พวังที่ี้คํ า, าว่าพวังนี่ หมายถึงช่วงว่างระหว่างที่จิตกาลังบาริกรรมภาวนาอยู่แล้วปล่อยวางคำภาวนามีอาการตกวูบลงไปวูบเป็นอาการเป็นความว่างของจิตช่วงที่วูบนี่ไปถึงระยะจิตนิ่งช่วงนี้เรียกว่าจิตตกผ้าวังทีนี้เมื่อจิตตกผ้าวังวูบลงไปนิ่งพักถ้าไม่หลับ สมาธิเกิถ้าจะเกิดความหลับก็หลับไปอย่างไม่รู้ตัวแต่ถ้าจะสมาธิจ ะ, เ, เ, ะเกิดพอนิ่งพักจิตเกิดสว่างสแสดงว่าจิตเข้าสู่สมาธิถ้านิ่งพักเมื่อติดไม่รู้เรื่องจิตตอนหลับนี่เพ่งสังเกตอย่างนี้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 ที่จิตปล่อยวางบริกรรมภาวนามีอาการเคลิ้ ม, มแล้วก็วูบช่วงวูเรียกว่าจิตตกผวาบเมื่อวูแล้วนิ่งเมืดมิดไปเรียกว่าจิตหลับถ้าวูนิ่งพับเกิดความสว่างโปร่งขึ้นมาจิตเป็นสมาธิจึงทําความเข้าใจอย่างนี้ปัญหาต่อไปทราบว่าขณะง่วงนอนและต่อสู้กับความง่วงอยู่นั้น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 ก็กลายเป็นความง่วงและผลักคำตอบก็มีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ปัญหาต่อไปถ้ามาของอาจารย์มั่นซึ่งเรียกว่ามุตโตไทแปลหรือมีความหมายว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรเราปฏิบัติธรรมเพื่อความวิมุติเพื่อวิมุตคือความหลุดพ้น ทยะแปลว่าหัวใจมดโตแปลว่าพลธรรมะคองอาจารย์มั่นที่ว่ามดโตไทยก็แปลว่าธรรมะเป็นเครื่องคลมีความสําคัญสําหรับโู้กปฏิบัติถ้าโค้ววกปฏิบัติมุ่งต่อความหลุดพลเราทําศีลธรรมะที่ปัญญาให้เกิดขึ้นพร้อมในจิตซึ่งเรียกว่าการประชุมพร้อมของอริยมรรค แต่เราไม่ได้ปฏิบัติเอาศีลสมาธิปัญญาเราปฏิบัติเอาความหลุดพ้นคือพ้นจากกิเลสศีลสมาธิปัญญาเป็นแต่เพียงอุปายทําให้เราพ้นจากกิเลสขณะทําสมาธิเกิดนิมิตขึ้นมาเป็นภาพจะต้องปฏิบัติหรือกําหนดจิตอย่างไรในมาทำสมาธิแล้วใจสงบลงไปเกิดเป็นนิมิตภาพขึ้นมา ระวังอย่าให้เกิดความเอกใจหรือแปลกใจกับการเห็นนั้นให้ประคองจิตอยู่เฉยๆถ้าไปเกิดเอกใจหรือทักพวงขึ้นมาสมาธิจะถอนเมื่อสมาธิถอนแล้วนิมิตหายถ้าใครสามารถประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกตินิมิตนั้นจะอยู่ให้เราดูได้นานและนิมิตนั้นจะเป็นเครื่องลูกของจิตเครื่องระลึกของสติเป็นฐานที่ตั้งของสติ บางเคียนิมิตนั้นอาจจะแสดงอสุภะกรรมฐานหรือแสดงความตายถ้าแสดงอสุภะกรรมฐานให้เราดูเช่นล้มตายลงไปเน่าเป่คยปุพังก็ได้อสุภะกรรมฐานได้มรณสติถ้าเจตของคนนั้นสําคัญมั่นหมายในพระไตรักษณภาพในมิตรี้มันก็ไม่เที่ยงมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ล้มตายไปตายไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นเน่าเปคยปุพังสลายตัวไปเสร็จแล้วมันก็ได้วิปัสสนากรรมฐาน เพราะฉะนั้นในเมื่อภาวนาเกิดในิมตขึ้นมาแล้วอยา่าไปดีใจเสียใจกับในเมตนั้นให้ประคองจิตให้รู้อยู่เฉยๆธรรมชาติของนเมตนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงก็ทำให้เรารู้ทำให้รู้ว่าแมในิมตนี้มันก็ไม่เทียงหรือเพียงแค่มันเกิดขึ้นแล้วมันหายไปเกิดขึ้นแล้วมันหายไป มันก็ไปตรงกับคําว่าเกิดดับเกิดดับที่เรากําหนดรู้กันอยู่ในจิตความเกิดดับความคิดมันเกิดขึ้นความคิดมันดับไปก็คือการเกิดดับนิมิตเกิดขึ้นนิมิตดับไปก็คือความเกิดดับโศกมันเกิดขึ้นโศกมันดับไปก็คือความเกิดดับทุกเกิดขึ้นทุกดับไปก็คือความเกิดดับเมื่อเรามีสติกําหนดรู้ความเป็นของมันอยู่อย่างนี้เราก็ได้สติปัญญาดีขึ้น เราอาจจะเกิดปัญญารู่อนในจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาได้ทุกไหมถ้าเวลาใครจิตเบื่อไหนจะทำอย่างไรจิตเจ้าหมองจะทำอย่างไรความเบื่อเป็นอาการของกิเลสในเมื่อมันเกิดเบื่อพิจารณาความเบื่อ เอาความเบื่อเป็นอารมณ์ถามตัวเองไปว่าทําไมมันจิงเบื่อเมื่อได้คําตอบคำนี้แล้วถามต่อไปอีกว่าทําไมทําไมทําไมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรไล่มันไปจนมันจนมุมเอาความเบื่อเป็นอารมณ์เอาความเบื่อเป็นเครื่องรู้แล้วก็พิจารณาหาเหตุนผลในความเบื่อให้มันได้การพิจารณาชนนี้ก็คือการพิจารณาวิปัสสนากรรมฐาน เจ็บเศร้ามองก็พยายามภาวนาให้มากๆพิจารณาให้มากๆแตในเมื่อเจ็บมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันจะหายเบื่อและหายเศร้ามองมันมองเห็นกายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะมันเกิดทุกข์แล้วก็เบื่อ